เรื่องส ม, มุตินาทีปาราซีมาในวงเล็บซีมาคล่อมแม่น้ําสมัยนั้นพวกภิกษุชพคีสมมุตินาทีปาราศีมาภิกษุทั้งหลายมาทําอุโบสถถูกน้ําพัดไปก็มีบาทถูกน้ําพัดไปก็มีจีวรถูกน้ําพัดไปก็มีภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคกรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ไม่พึงสมมุตินาทีพราศีมารูปใดสมมติต้องอาบัตทุกคนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้สมมตินาทีาราศีมาที่มีเรือนจอดประจำหรือมีสะพานถาวร